ความสุขความเจริญจะมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีทุมิในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องเทราคาถาในส่วนของพ ร, รัตปาระเทระทีงต่อกันมาแต่ว่าคาถาที่ท่ากล่าวนั้นนี่จะเม็นเมื่อ เรียกว่าหลายพระคาถาเป็นพระคาถานั้นจะเป็นการสะท้อนธรรมะแต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือเป็นการสแสดงความจริงตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องของการมาคุณคือโลกวัตถุทั้งหลายผลงานโลกวัตถุทั้งหลายที่ คนต้องการปรารถนาแล้วก็ชุมช่มชื้นดีกันแต่ในแง่ที่มันเป็นจริงนั้นมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งพูดง่ายว่าในสายตาของผู้ที่มีบารมีแต่ในสายตาของสามัญชนมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดว่ามันเป็นแล้วความจริงมันเป็นยังไงท่านก็แสดงความจริงออกมาอย่างนั้น มาถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดสุดท้ายนะครับก็เป็นการตอบคาถามของพระยาโรับพระยาที่ถามเรื่องเหตุให้ท่านบวชแล้วก็เล่ามาโดยลำดับคือสรุปว่ามันเบือนายในการมากุลคืออารมณ์โลกทั้งหลายนั่นเอง แล้วก็สุดท้ายก็มาพูดถึงสถานภาพของท่านในขณะนั้นในขณะที่กำลังคุยอยู่กับพระเจ้ากรพพยานท่านบอกผลซึ่งท่านได้สัมผัสว่าประชศิ ด, ดาตมาภาพอยู่รกล้ชิดแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาภาพได้ทำเสร็จแล้ว ภาระที่หนักก็ปรุงลงได้แล้วกหัหาที่นำไปสู่พวกใหญ่ก็ได้ถอนขึ้นได้แล้วคือแนวการแสดงผลของมรรคผลเนี่ยมันจะแดดแสดงสองแนวอาจจะสามแนวนะหรืออาจจะทั้งสี่ทั้งอริยสัจก็ได้ในหนึ่งก็พูดในทํานองในแนวปฏิเสธความมีอยู่ของความทุกข์ แนวที่สองก็ปฏิเสธในแนในการมีอยู่ของกิเลสแนวที่สามก็ยืนยันถึงสัมผัสทางจิตก็คือกลุ่มของนิโรธแนวหนึ่งก็แสดงถึงความมีคุณธรรมข้อนั้นๆก็เป็นเรื่องของกลุ่มมากเพราะเราจะเห็นว่าพระพุทธภาสิทธิที่ได้ยกมาในตอนต้น4ีประเด็น มันเป็นการแสดงถึงผลที่ท่านได้สัมผัสก็คืออยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมะตามที่พระเจ้าส่งแสดงไว้สมบูรณ์แล้วก็ปรงภาราณะคือความยึดมั่นถือมั่นในขันตั้งห้าลงไปได้อย่างสิ้นเชิงแล้วก็ป็ิเสษความมีอยู่ของสมุทยัย ว่าตัณหาทั้งหลายที่นำไปสู่ภพน้อยใหญ่เราระสอนได้หมดแล้วในขณะเดียวกันก็ามาในเน้นย้ำในข้อสุดท้ายที่ว่าประโยชน์คือความชิ้นไปแห่งสังโนดทั้งปวงที่กุลบุตรผู้ออกบวชออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการกัน อตาตมาภาพได้บรรลุแล้วตามลำดับดังนี้สังโยตเป็นเรื่องเป็นชื่อเป็นชื่อของกิเลสแต่นที่ละเอียดแต่ก็มีชื่อเรียกหลายชื่ออาจจะเรียกว่าอนุสัยอาจจะเรียกว่าสังโยตอาจจะเรียกว่าสวะอาจจะเรียกว่าอุปาทานอาจเรียกวักนทะอาจจะเรียกว่าโอคะอาจจะเรียกว่าโยคะ ตอแล้แต่ะก็สรุปว่าก็เป็นเรื่องของกิเลสชนิดที่ข้อนขางละเอียดเพราะว่ากิเลสเวลาแสดงออกมาทางกายกับทางวาจาหรือทางใจมันก็เป็นทุจริตออกมาทางกายก็เป็นกายทุจริตออกมาทางวาจาก็เป็นวจีตทุจริตออกมาทางใจก็เป็นมโนทุจริตแต่ทุจริตเหล่านี้ยไม่มีแล้ว เพราะว่าสาเหตุให้แสดงอาการพุทโธตันไม่มีอยู่ภายในใจเถียงโยก็ถือว่าเป็นชื่อหนึ่งที่พระอริยะละได้ตามลำดับก็มีด้วยกันสิบข้อโดยนิยพระวิธรรมก็เรียงลำดับให้เหมือนกับนยะแห่งพุทธสู แต่ว่าตามปกติแล้วเราก็นิยมใช้ในิยามแห่งระสูตรเพราะว่าเป็นการเรียงไปตามลำดับที่พระยะบุคคลท่านละได้ตามลำดับมรรคผลของท่านมันก็เข้าใจได้ง่ายคือไม่สลับลำดับการสลับลำดับเช่นยกตัวอย่างวันนี้วันห้าเนี่ยมันสลับลำดับก่อนยัน คือฌานนี่เป็นผลของจิตที่สงบจากนิวรณ์นิวรณ์ก็เป็นเหตุให้จิตถูกกุ้มรุมมด้วยกิเลสประเภทต่างๆแต่ว่าตอนสงนบในบกวนรรษโยบีวรน์เนี่ยฌานมันก็ไปเปลี่ยนแปลงภายในจิตของท่านเวลานำมาเรียงก็เรียนต่างกัน ค, คือไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองสองอย่างคล้ายๆกับโลภปุจลงเนี่ยเราก็เรียงตรงกันข้ามกับศีนสมาธิปัญญาหมายความเมื่อฟ้าหนึ่งมีโลภปุจลงอยู่ฟ้าหนึ่งสีลสมาธิปัญญาก็ไม่สมบูรณ์อีกฟ้าหนึ่งสีนสมาธิปัญญาสมบูรณ์อีกฟาหนึ่งมันก็กลายเป็นความไม่โลภไม่โกไม่ไมลง ซึ่งก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแต่ก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเรียกศีลสมาธิปัญญาเรียกฐานะที่เป็นมัจเรียกความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเรียกในฐานะที่เป็นนิโรธในขณะเดียวกันถ้าเรียกว่าโลภโลกรธหลงก็เรียกในฐานะที่เป็นสมุทยัย ถ้าความเดือดร้อนต่างๆก็เรียกในความหมายของนี้แต่ของของผู้กษัตริย์แต่ว่าพวกนี้ในชั้นที่สมบูรณ์เนี่ยมาความามรรกษัตริย์ไทยเนี่ยเขาบ้างไปด้วยกันหล้ก็อยู่ด้วยกันการพูดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า อาตมาภาพได้ปฏิบัติเสร็จแล้วซึ่งก็หมายความว่าปฏิบัติในอริยมรรคนั้นสมบูรณ์ทีนี้ส ม, มุทัยก็ดับไปอย่างสมบูรณ์ทุกก็ดับไปอย่างสมบูรณ์นิโรธก็มีเกิดขึ้นภายในใจของท่านอย่างสมบูรณ์แต่ลงมาภายในใจของท่านก็มีแต่มรรคกับนิโรธไม่มีทุกข์กับส ม, มุทัย สังโยชน์ข้อแรกนั้นคือสักกายติจิตคามเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนหรือเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนก็แบบอาัตานั่นแหละแต่ว่าเวลามันปรากฏในจิตนี่มันละเมยดละหม่มากจนก็เรียกว่าเราสามัญชนธรรมดาตากว่าไม่เจริญวิปัสนาจนเห็น แยกตามความจริงแล้วเขาก็ยิงก็แยกอาการมันได้ยากอาการเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้มันก็พูดง่ายนะครับคือเข้าใจง่ายเพราะว่าเป็นพูดระดับสีระดับธรรมะแต่ว่าพอระดับธรรมะที่ละเอียดเนี่ยอาการของจิตที่มีความยึดมั่นหรือมั่น ในตัวตนอาจจะไปเข้าใจว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนรูปอย่างเดียวเนี่ยแยกก็เป็นสี่อย่างเวทนาก็เหมือนกันกับตนเป็นเวทนาเวทนาเป็นตนตนมีในเวทนาเวทนามีอยู่ในตนสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณก็เรียงอย่างนั้นเลยกลายเป็นสักกายะพิธียี่สิบด้วยกัน แต่กย่งที่บอกว่าก็ดูยากนะเห็นยากแล้วก็เข้าใจก็ยากนะเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการปฏิบัติเกี่การจะเห็นชัดเจนขนาดนั้นต้องมาจากการปฏิบัติเท่านั้นแล้วก็เลยสัมผัสผลระดับสูงไม่ใช่ระดับทั่วไปรสชาติที่กล่าวไว้ในตอนต้นมันเป็นผลระดับกลาง คือหมายความว่าพอวิตกซึ่งเป็นองค์ฌานเกิดขึ้นไปทำหน้าที่สงบนิวรณข้อที่สามแต่ที่จะข้อที่หนึ่งเป็นข้อที่สามก็คือถีนมิสัรวิจานซึ่งเป็นองค์ฌานข้อที่สองพอเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่สงบวิจิกิจาซึ่งก็เป็นนิวรข้อที่ข้อที่ห้า แล้วก็พอปีติเกิดขึ้นมันไปสงบกลัวพยาบาทซึ่งเป็นนิวรังข้อที่สองเมื่อสุเกิดขึ้นก็ไปสงบสีนมิ tha ซึ่งก็เป็นไม่ใช่ธธสีนมิ t h าอุทจักขุกุจจะซึ่งเป็นนิวรังข้อที่สี่แล้วพอเอ ก, กาตาซึ่งเป็นนิวรังข้อที่ไม่ใช่เป็นฌานข้อที่ห้า มัอเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบหรือสยบการไมาฉันซึ่งเป็นนิวรณ์ข้อที่หนึ่งแต่พวนี้ท่านจะเรียงลงมาเป็นลําดับมหาความว่าโซดาปฏิมาค็งจะทำหน้าที่สงบไม่จะทำหน้าที่สงบสามารถที่ดับทำหน้าที่ดั บ, ดบสังโยคข้อที่หนึ่งคือสักกายะทิฏฐิกันกราแล้วก็ดับสังโยคข้อที่สองก็คือ วิจิกิสาวิจิกิสานั้นเป็นอาการของโมหะคือเป็นอาการของความลงแล้วก็จะกระจายตัวเองออกไปเป็นความคลืบคร่ ง, รงสงสัยใหญ่ๆเราตัวดูจิตของเราเราจะเห็นเลยว่าสามัญนชทนทั่วไปยังมีวิจิกิฉาอยู่เยอะเพราะว่าโมหะมันยังมีอยู่เยอะ สงสัยในพระคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยในพระคุณของพระธรรมสงสัยในพระคุณของพระสงฆ์แล้วก็สงสัยในไตรทิขาสงสัยในเรื่องชีวิตที่เป็นอดีตสงสัยชีวิตที่เป็นอนาคตทั้งทั้งทั้งหมดแหละหมายความว่าสิ่งต่างๆในอดีตสิ่งต่างๆในอนาคตสิ่งต่างๆทั้งอดีตอนาคตขึ้นในปัจจุบันแล้วก็สงสัยในตัว ปฏิจจสมบัติก็คืออวิชชาก็ได้แก่อริยสัจสี่หนึ่งแหละก็หมายความยังไม่รู้อ่ะยังไม่รู้อริยสัจสี่แต่ว่าตอนนี้ท่านจะรู้ระดับหนึ่งอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความรู้ระดับหยาบแต่ไม่ใช่สมบูรณ์นะฮะหรือหมายความว่าขาจัดความมืดได้ตามอย่าง แล้วก็ต่อไปก็ปปศีลปฏตปรมา m a คือการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยหลักการปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลและความจริงหรือบางครั้งมันยุติด้วยเหตุผลและความจริงแต่ว่าเราไปยึดมั่นถือมัน่นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ก็จเจนว่ามันอาการที่เห็นชัดเนี่ยคือยินดียินร้ายหมายความมันเครเห็นกับตรงตัวเองกับตน ก็ชอบกันใครไม่เห็นตรงกับตนก็ไม่ชอบกันความขัดแย้งยังใหญ่ในหมู่มนุษย์มันก็ขัดแย้งในเรื่องอะ่รเนี่ยสิ่งที่ตัวเองยึดมัน่นถือมัน่นเชื่อมั่นเนี่ยมันแตกต่างกันแตกต่างอย่างแรงก แ, แตกต่างระดับชั้นของอุฒมคติอย่างความขัดแย้งต่างๆที่เกิดในบ้านในเมืองเราเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่า ที่แบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นหมู่เนี่ยคือบางฝ่ายเราก็เห็นว่ามันมีลักษณะเป็นอุดมากาหรืออุดมคตมิบางฝ่ายเราก็เห็นว่ามันเป็นทิฏฐิคือความถือรั้นถืออัตาตาตตนแสดงความเคืองความยิ่งใหญ่ของตัวเองแล้วก็ชี้โครมลงไปเลยว่าความเห็นของตอนนั้นถูกต้องความเห็นของคนอื่นไม่ถูกต้องอันนี้ก็ เป็นปัญหาคาแผ่นดินคือหมายความมาความขัดแย้งของโลกเมื่อไร่ก็เมื่อนั้นแหละขัดแย้งในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆเกีก่งการตีความกฎหมายสองมาตรฐานหรือหลายมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานก็หมายความมาขวายที่เขตีความเขาก็ถือ ว, ว่าถูกข่ายที่ฟังเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูก ตนกฎหมายตามปกติแล้วจะมีลักษณะค่อนข้างอ่อนตัวคือคนที่ทากฎหมายที่ถูกต้องเน่ยเราจะเห็นว่าไม่ต้องแก้อะไรกันบ่อยๆหรอกเพราะว่ามันมีความประนีประนอมกันอยู่ในตัวเพราะว่าบทบัญญัติของกฎหมายก็คือถ้าคนบัญญัติขึ้นว่อย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูก จะเลิกก็ได้แต่รักษาไว้ก็ได้แต่ว่าสีนเนี่ย ม, มันมีลักษณะข้นตัวทัรรมผัสมาคือใจนว่ามันีกฎธรรมชาติสีนั้นเป็นกฎธรรมชาติสังคมจะรู้รู้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้มันก็ต้องอย่างน้อยต้องมีสีสีข้อแรกเละ เราขาดไปสักข้อยุคโลกมันก็เป็นกาลียุคทันทีได้ฆ่ากันโดยไม่เลือกอย่างนี้ก็ตายละถือว่ามีการใครต้องการทรัพย์สมบัติของใครก็หยิบส่วยเอาเฉยๆอย่างนี้ก็ยุง่งละหรือลูกเขามีใครไม่ดูดำดูดีอย่างนี้ก็ยุง่งละโอก หลอกลวงกันจนไม่รู้อะไรเป็นจริงเป็นเท็อันนี้ก็ยุ่งยุ่งหมดแหละโลกมันอยูดไม่ได้ตัวนี้มันจึงต้องเป็นทั้งกฎหมายเป็นรัฐวัฒนธรรมเป็นทั้งจารีจารีดเป็นทางกระนดพมเนีมแล้วก็เป็นทั้งศีลแล้วก็เป็นทั้งธรรมะถึงขั้นบทมันก็สามารถกํากับควบคุมอิเลสระดับหยายาบ ดังนั้นเอแนวสีรัประทับรบบาีมันก็คืออาการที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็ไปเสด็จคนอีกจนยกตัวอย่างว่าพวกเราผู้กรรมฐาน พ, พระที่ปฏิบัติกรรมฐานไม่อยากโ่มที่ปฏิบัติกรรมฐาน โดยเกณฑ์บภาวนานั้นต่างกันแปลว่าต่างคนต่างก็ยึดถือในสิ่งที่ตัวเองภาวนานและได้ผลแล้วก็สอนลูกศิษย์ให้ถือตามปฏิบัติตามปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยลูกศิษย์ที่คนก็เกิดเหมือนกันหมดโดยไม่หันไปดูพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบางครั้งเนี่ยท่านสอนอารมณ์กรรมฐานคือเดียวนะฮะห้500าร้อยอารมณ์กับพระห้า500ร้อยรูปแยกอารมณ์กรรมฐานที่แตกต่างกันออกไปเลยเรียกว่าวางยาอย่างแรงการเหล่านั้นก็บรรลุมรคผลกันในวันนั้นนะ่ะอง์ที่หนึ่งบรรลุมาเพื่จะเฝ้าพระพุทธเจ้า รับผูดรายงานซึ่งผลจากการปฏิบัติยังไม่ทํารายงานนะองค์ที่สองก็มาแล้วบรรลุแล้วองค์ที่สามก็มาแล้วจนถึงองค์ที่ห้าร้อยมาเนี่ยไม่มีใครได้รายงานนะเพราะว่าบารรลุกันได้เร็วแต่ทีนี้พรอเรามายึดถือเออสัมมาหังเท่านั้นควมลาภุโธรเท่านั้นนับลมหายใจเท่านั้น แล้วก็ภาวนาอย่างอื่นที่ว่ากันมากมายแก่กองมันไม่ใช่บะเลนถูกผิดอยู่ตรงนั้นที่ถูกก็คือการใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบแห่งมิวรนทั้งห้าประาการการปฏิบัติแาบนั้นเราก็เรียกว่าสมสถะการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆที่สรุปรวมเป็นนามรูป และการเห็นนั้นปามหามานาทิ 4, มันลดลงไปก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องนีมน่มันมีเหตุมีผลของมันมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบแต่ว่าแนวของสี่รอบกัประมาสนั้นจะยึดถือในรูปแบบไปเสกคนอิทโนดฉันท่านั้นถูกต้องคนอิทไม่ถูกต้อง บาลีสันใช้คำว่าอิดามววสัจจังโหขบมันยังอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอย่างอื่นว่างเปล่าอย่างอืง่นไสาระกลาซพิ่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเมืก่อนก็มีคนมาเล่าให้ฟังว่ามีผู้นำคำพูดความต่อมาไปประกอบการบรรยายบอกว่า มายืนกันว่าในโลกนี้ศาสนาทุกศาสนามีาสี่ห้าท่านั้นต่วางลำดับไว้ไม่เหมือนกันให้ความสำคัญต่อการกระทาเหล่า น, นั้นไม่เหมือนกันแต่ถ้าโลกขาดาสาี่ห้าโลกมันก็อยู่ไม่ได้เห็นฆ่ากันตายหมดแหละอันนี้ก็คือความจริงเพียงแต่ว่าท่านไม่เรียกว่ า, าสาี่ห้า เราเรียกก็สีน่าเราเรียกก็เป็นเย็ดสีเราเรียกก็เป็นเจวินวิรัตเราเรียกโดภาษาบาลีท่านก็เ ร, เรียกโดยภาษาของท่านแต่ว่าโดยนิหารแล้วก็คืออันเดียกันตอนพระโสดบาบันให้ท่านจะละสามอย่างเนี่ยศักกายติถิวิจิกิจสาศิลปะตระมาได้หมดในขณะเดียวกันกุศแลแธรรมส่วนอื่นในขณะพวกนี้กิเลสมัน มันดับไปสามหลางดับไปสามข้อเธอธรรมะก็ก็เพิ่มขึ้นหมายความว่าศีลท่านสมบูรณ์สมาธิท่านพอประมาณปัญญาท่านพอประมาณมันพูดในแง่ของมัคคุเก์แล้วก็ทิ่ฐิท่านสมบูรณ์เขาเรียกว่าทิ่ฐิสำปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นความเห็นตามที่มันเป็น ตัวตนก็ไม่มีอยู่จริพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมก็เป็นพระธรรมจริงพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์จริงไตรสาขาก็เป็นทาง น, นําคนผุดพ้นจากความทุกข์อยูจริงอดีตก็มีอยู่จริงอนาคตก็มีอยู่จริงปัจจุบันก็มีอยู่จริงแล้วกฎปัจจัยการกด้วยกฎของปฏิจจสมบาทนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง แล้วุกงชีวิตก็อยู่ในกฎตรงนี้ถ้าไม่ได้ตกเสียงอะไรกับใครในเรียองว่าจะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องถือมันยังไงไม่ต้องไปเถียงคเรียกว่าไม่ทะเลาะ ก, กับใครไม่ทะเลาะกับใครในเรื่องอะไรกัะการต่อไปนั้นพระสกทางามี ก็ละเด็ดขาดสามข้อแรกกันแหละเวลาฆาโูสะโมหะมันลดลงกว่าเดิมหรือจะลดลงไปขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะว่าคนละได้ขาด เ, เป็นพระอนาคามีแต่เท่าที่พบหลักฐานความหมายกว่ามันยังไม่ได้ศึกษาอะไรหมดหรอกแต่ยังไม่ได้พบหลักฐานว่าพระจักทามีมีครอบครัว ก็ถ้าไม่มีครอบครัวก็หมายความราคาตนีม่มันลดลงไปจนไม่ต้องการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์โทสะนนแน่นอนแหละมันอาจจะมีรู้สึกรำคาญหงุดหงิดอยู่บ้างเพราะว่ามันยังมีเชื้ออยู่พอมาถึงพระนาคามีแปลว่าผู้ไม่ต้องมาสู่โลกนี้อีกแล้ว ต้นเวลาเพิ่มได้แค่ีกสองข้อคืออัมราคาจิตที่กำหนัดด้วยอำนาจความไขในอารมณ์โลกคือในสิ่งที่ใจคนกำหนดว่าน่าไข่น่ารนปรารถนานาพอดละลาเด็ดขาดพวกนี้จะไม่มีการคลองเกลือ น, นจะอยู่ที่บ้านเป็นสามีพัญญากันก็เรียกว่า ก็อยู่ในฐานะที่เป็นเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันมายุ่งเกี่ยวกันในเรื่องเพศแต่ประการใดแล้วก็ปฏิฆาคืออาการหงุดหงิดจำคาญไม่พอใจไม่ยินดีไม่ชอบอะไรต่อะไรต่างๆมันก็นดับไปหมดเลยมันแสดงว่าเป็นกิเลสประเภทละเอียดถึงกามมันก็ละเอียดนะถึงโพสะมันก็ละเอียด ยิ่งก็เปลี่ยนการมาละ่านั้นบางทีเราก็ใช้ในที่ทั่วไปแต่ปฏิฆะมันลักษณะคล้ายๆกับรำคาญหงุดหงิดรำคาญหงุดหงิดเพิมไม่มากหอกแต่ก็รู้สึกรำคาญในเรื่องบนเรื่องตอนนี้ท้ากระดับหมดต่อมาถึงพออาระาอารหันต ต่อไปเป็นพระหารแล้วไปละสังโย์อีกห้าข้อเรียกสังโย์เบื้องสูงห้าประการเลยสังโยชนีแปลปว่ากิเลสเป็นเครื่องผูกใจสัตว์เอาไว้หมายความมาตระใดที่คนยังถูกสังโย์ผู ก, กจิตเอาไว้ก็กไปไม่รอดหรอกก็ยังต้องหมุนวนอยู่ในตังสาระวัฏฏินะ เพื่อนพระเิราท่านจึงกล่าวว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ตาตัตมาภาพได้ทมเสร็จแล้วคือปฏิบัติเสร็จแล้วเคือก็เสจกจิตคือจิตที่ควรทำกรเกี่ยวกับการกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธจเจริญมรรคนี่มันหมดแล้วเหลจิตในทานองเดียวกันที่เกี่ยวกับละกิเลสกับการ พัฒนาธรรมะก็ไม่มีกต่อไปแล้วเป็นผู้คงที่ในวันไหวไปกับอารมณ์โลกทั้งหลายพอมาถึงสิ่งที่พระหารทละได้เนี่ยคือรูปประคากะกับอรูปประาคาักะทีนี้รูปเนี่ยมันมันมันเยอะคือสิ่งที่เราสัมผัสในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรียกว่ารูปแล้วก็ สิ่งที่เรารู้ได้ใจหรือตัวใจเนี่ยมันก็เป็นนามรูปปราคาที่ท่ลาละได้ก็คือความพอใจติดใจในรูปประฌานซึ่งเป็นเหตุบังเกิดในโสมโลกวังเหตุเกิดเกิดในโสมโลกก็มีภพนะฮะคือรูปประฌานอาลูปฌานก็ยังมีภพอยู่อาลูปฌานก็คือความพอใจติดใจกำนังเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอาลูประฌาน ท่านก็ดับได้ดับได้ก็หมายความยังไงหมายความว่าท่านไม่มีพบที่จะเกิดแล้วแปลว่าพวกนี้เป็นกุศลแธรรมเป็นส่วนของจิตสิกขาเป็นส่วนกุศละธรรมท่านก็สามารถจะใช้ชานเนี่ยเป็นเครื่องมือในการคลองจิตวิจังรแทนเห็นโดยการเข้าฌาน เกี่ยงการให้การพักผ่อนแก่ร่างกายก็ เ, เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเสวยความสุขอยู่ในปัจจุบันแต่การต่อไปก็คือมานะความถือตัวถือตัวก็หมายความว่าถือตัวว่าเลื่อกกว่าเขาเสมอเขาหรือเร็วกว่าเขาก็ตามไม่มี ไม่มีตัวตนให้ถือแล้วก็เป็นเหตุให้ยกตนข่มท่านหรือตีตนเสมอท่านหรือดุหมินคนอื่นไม่มีอาการอย่างนีนใครระด่าจะว่าอะไรท่านก็เป็นกรรมของสัตว์นั่นเองแต่ไม่บอกว่าอะไรเขาหรอกเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้ว่าเนี่ยมันสงบไปตั้งนานแล้ว แล้วก็อุทจจะก็คือความคุ้งสั้นอุทจจะเฉยๆนะอุทจจะเฉยๆไม่ได้มีกุกุจจะคือกุกุจานั่นเป็นอาการของโธสระพระนาคามีธละได้แล้วตอนละได้แล้วตอนเป็นพระนาคามีแต่กุกุจานั้นมันเป็นอาการของโมหะอย่างละเอียดก็มาดับได้ที่นี่แล้วก็ไปดับเที่ยววชชา แ, แสดงว่าเหตุย้ดับอุชฉาได้มันเกิดยานผุดขึ้นภายในจิตของท่านทำให้ท่านรู้สถานะของอริยสัจแต่ละข้อนี้ชัดเจนก็เรียงเป็นยานสามยางที่รู้เจ้าทรงแสดงแก่ท่านปัญญวคีเนี่ยงเรียงเป็นยานสามเกิดขึ้นในริยศสัตว์สี่มีวนสามมีาการสิบสอง มิสกทธิสุดหมดจุดหรงก็ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ในมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต้งความรู้ระดับนี้ที่เราต้องเข้าใจคือต้องชัดเจนในตัวเองนะว่าเราไม่มีความรู้ระดับนี้อะไรที่ทรงแสดงไว้ด้วยความรู้ระดับยานก็คือต้องอาศัยยานคือใช้ตัถานำ ดังนั้นพอตอน ป, ปลายๆเนี่ยเราจะท่องชาติทาเยอะชาติทาเยอะเพราะว่าเราไปไปสัมผัสเองไม่ได้ไปอธิบายด้วยสัมผัสตรงกับตัวเองไม่ได้เพราะเรายังไม่สัมผัสตรงมันก็ต้องอาศาัยการสัมปัตรงของบุคคลอื่นก็ทํานอนไปยิ้มันก็ดูง่ายๆนะฮะว่าอย่างเรื่องราวต่างๆในอดีต ที่ท่านเรียกว่าสับท่าประมาณหรือหมายความเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดี ต, ตเราเกิดไม่ทัน่ะเราเกิดไม่ทันเราก็ไม่รู้บางอย่างเราเกิดทันเรายังไม่รู้เลยอย่างวันนี้เกามีอะไรที่เชียงใหม่ก็มีอะไรที่นราธิวาสกามีอะไรที่นครพนมพบนราชธานีเป็นตนน้นอะไเราก็ไม่รู้แล้วส่วนหนึ่งเราก็ต้องเชื่อคนอื่นคนที่เขารู้แม้แต่วันเดียวกันขณะเดียวกัน บางที่เรานั่งใกล้ๆกันเลยเนี่เราหันข้างเรือหนหลังให้คนอื่นเขาทาอะไรอยู่ข้างหลังเราก็ไม่เห็นทีนี้เราไม่ได้คิดในแนวตรงนี้คือเราประเมินตัวเองใล้ๆกับมันมันฉลาดสามารถรอบรู้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเก่งไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเวเนียมังไพรในคนเก่งไปเสียทุกอย่างนี่มันมันเยอะเหลือเกินแล้วก็ พอมีการพรุงร่งติงก็โรกโรธไม่พอใจถือว่าดูมิ น, นอะไรแต่ารต่างๆโอ้ไปกันใหญ่ก็ยังนึกเป็นห่วงอยู่นะอย่านึกเป็นห่วงเรื่องความรู้ระดับปัญญาของเราในโอกาสต่อไปมาไม่ต่ายเราเยอะเหลือเกนะินเรามีครูพอจจริงหรือเปล่า เรามีห้องทดลองเรามีการวิจัยเรามีอะไรแต่ไรพอหรือเปล่าแล้วต่อไปมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆสําเร็จไปเรื่อยๆเรียกว่าวิทยานในผลก็ตัดแปะกันไปเรื่อยๆอาจารย์เองก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้รู้สิษลอกมาหรือว่ารู้สิกคิดขึ้นเองแน่นอนในการลอกมันมีบ้างแต่ว่า มันควรจะอธิบายความเข้าใจของตัวเองต่อไปด้วยไม่ใช่เอามาตัดแปะตัดแปะตัดแปะตัดแปะต่อกันไปเป็นเล่มอ่านหมดตั้งเล่มไม่เจอความมีนของ ต, ตัวเองเลยเราก็ไม่รู้วินิจฉัยได้ยังไงว่าเขารู้จริงหรือเปล่าเนี่ยที่เขาพูดเพราะยิงงํานวนหนังสือที่เขาเรียบเรียงมาเนี่ยเราอ่านเราก็รู้แล้ว อ่านก็รู้แล้วว่าเป็นมาจากเอกสารอื่นบางทีก็อ้างอิงบางทีก็ไม่อ้างอิงแต่ก็ฟังได้นะเพราะว่าสมบัติสมุดมันต่างกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าปฏิบัติยางไงเนี่ยที่เขียนมาอย่างเงี้ยมันปฏิบัติยางไงาำรับตำราระดับมาตรฐานจริงๆเนี่ยมันให้คำตอบว่าปฏิบัติได้ยางงั้นยางงั้นยางงั้น วันถ้าหากว่าไม่เข้มงวดในเรื่องของการจัด ก, การศึกษาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือตัวนิหาวิชาการนั้นนั้นกับผู้บริหารการศึกษาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือตัวอาจารย์ที่สอนแล้วก็ละรวมกันโอกาสก็น่าห่วง เพราะในสุดมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าไม่รู้จริงขึ้นมาแล้วทําไม่รู้จริงแล้วไม่ยอมฟังคนอื่นแล้วก็ไปกันใหญ่อะจรองนี้ก็สนุกเพราะฉะนั้นของท่านมันทันรู้จริงเพราะท่านดับปวิชาหมดดับด้วยญาณ น, นะญาณเป็นตัวเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่ดับปวิชาพอมาถึงตัวนี้เราก็ต้องเชื่อล้ว แล้วก็ว่าอย่างอื่นไม่ได้ต้อกจากก็เชื่อตามที่ท่านบอกเอาไว้แต่ถ้าเรื่องที่ควรเชื่อยังไม่เชื่ออย่างในสมัยนี้นี่จิงพูดยากมากนะพูดยากมากคือคนก็เก่งกันจนจนรู้ไปั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะ ย, ยิ่งพวกกระทรวงศึกษาธิการพวกขบวนอะไรแต่ใดต่างๆเขาเรียกอะไรมาทุกวันขบวนเนี่ยแต่ก็สรุปว่ามันสารพัดเก่ง แล้วก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวนะฮะคือกลุ่มที่ศึกษามาในเรื่องอื่นไปทำงานเรื่องอื่นอย่เรามอดมองในแง่ของความเป็นจริงว่าคนที่ศึกษาแล้วก็หัวดีๆเนี่ยเาเรียกไอคสูงแล้วส่วนใหญ่มันก็มาทางแพทย์ทางทันมแพทย์ทางวิศวะทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆ แต่พวกนี้ที่จริงแล้วเขาก็ต้องศึกษาค้นคว้าตลอดจะทำอะไรจะผ่าตัดไม่ผ่าตัดตรวจโรคก็ต้องไปชุมปรึกษากันในตจก็ทำให้มั่นใจได้เยอะกว่าในวิชาสายสังคมเราจะเห็นว่าภาคสนามมันก็ไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติเท่าไรหรอก แต่ว่าพอมาทํางานในสายนี้จะยกตัวอย่างมาสายสังคมสายกฎมหมายสายรัฐศาสตร์สายอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ระดับไอคิวสูงไงเป็นระดับไปคีดกลางๆไอคิวเขาสูงนี่ก็ไปได้เงึดไปแล้วเพราะเงินเดือนมันเยอะแต่ว่าเวลาเขาเป็นเขาใหญ่นะในสังคมเนี่ยเขาจะใหญ่มาก ตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆก็จะใหญ่เป็นผู้ควบคุมแล้วก็เป็นเจ้านายของพวกที่ไอคิวสูงๆมันก็เป็นเรื่องแปลกปจริงทีนี้คนที่ออกจากเรือนบัวเป็นบรรพชิตต้องการเนี่ยก็คือเนี่ยการหลุดพ้นจากอสวกิเล ข, ขึ้นสมองทั้งนน ท่านใช้คําว่าอัตมภาพก็บรรลุแล้วตามลําดับตามลําดับอะไรตามลําดับญาณที่ว่ามาแล้วในตอนตอน้นตามลำดับมรรคผลนะฮะตามลําดับมรรคผลคือหมายความมันมีโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเกิดขึ้นเรื <c oughs> ่อยไปแล้วก็พอถึงจุดหนึ่อรหัตมรรคอรหั ต, หตผลก็การกฏสมบูรณ์ในทุ่นี้ทีนี้มีประเด็นที่ รัฐถาจารย์ท่านอธิบายข้อความในตอนต้นนะฮะตั้งแต่เรื่องทรัพสมบัติเรื่องทรัพสมบัติต่างๆพระเท迦อธิบายว่าร่าภาพเห็นมนุษย์ทั้งหลายผู้มีทรัพสมบัติผู้เพียพร้อมไม่ได้ทรัพสมบัติผู้มั่งคั่งในโลกนี้แล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ได้ทรัพสมบัติแล้วลุ่มหลงอยู่ในทรัพสมบัติไม่ยอมให้ผ่านแก่ใคร แตบรรดาสมณะผราญเป็นตนเรื่ออะไรเพราะความรุ่มหลงเพราะความรุ่มหลงเนี่ยคนจึงไม่ให้แต่ถ้าคนเข้าใจความจริงแล้วเขาจะให้เดีย๋ยวเราลองสังเกตว่าคนที่เข้าวัดความธรรมทำบุญให้ทานรักษาศีลบ่อยๆส่วนมากฐานะไม่เคยสูงหรอกแต่เขามีปัญญามีเหตุผลก็เข้าใจความจริงในเรื่องเหล่านี้ หลงเพาอะไรเพราะไม่มีปัญญาที่ให้รู้ได้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของรบตรคนโลกคนผู้ถูกความโลภครอบงำทำการสังสมสะสมรวบรวมแต่ทรัพย์สมบัติไว้ทั้งทั้งหมดทั้งปราฐานคือหวังเฉพาะกรรมมาคุณทั้งหลายยิ่งขึ้นไปกว่ากรรมที่ได้เริดสบมาเอาต้องการกรรมเป็นมนุษย์เอาต้องการก ร, รมที่เป็นเป็นทิพ ต่อไปเรื่อยต้องการไปเรื่อยมันมีที่สิ้นสุดกันหวังเฉพาะการทั้งหลายยิ่งขึ้นไปกว่าการที่ได้ประสบมาอันหนึงเขาพึ่งได้ทรัพย์สมบัติช น, นี้เหมือนกันและทำความพยายามซึ่งเกิดจากความหวังนั้นและข้อต่อไปนั้นก็คือหมายความว่าแม้จะเป็นพระราชา พระทรงกดขี่เอาชนะเขาได้ตลอดแผ่นดินที่อยู่ในอำนาจของพระองค์โดยพลักการแล้วก็ครอบคอแล้วก็ไม่เต็มความปรารถนาแม้ได้ฝั่งนี้แล้วยังจะได้ฝั่งอื่นต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันยังไม่สิ้นความทยานอยากมีมโนรสคือความปรารถนานี้บกพร่องคือไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอไม่หยุดในการแสวงหา ขึ้นชื่อว่าความอิ่มด้วยวัตถุกรรมทั้งหลายของผู้ที่ยังไม่ปราศจากตัณหาก็ไม่มีในโลกนะคือหมายความว่าตราบใดที่เธอยังมีตัณหาอยู่เธอก็ต้องมีวัตถุกรรมอยู่เพื่อตอบสนองตัณหาวันใดตัณหามันลดเนี่ยวัตถุกรรมจะลดจะลดไปได้เรือเรอแล้วการชี้สละแบ่งปันช่วยเหลือเือคูณกันมันก็จะเกิดขึ้น เรามีพอสมควรเธอสามารถช่วยเขาได้ระยะหนึ่งระดับหนึ่งก็ช่วยกันไปแต่ว่าเวลานี้เนะี่ยที่บางแห่งก็ไปใส่ใจสนใจในเรื่องของการให้กันมากจนผู้ให้ในเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ดี คือหมายความว่าการทําความดีนี่ผลจะต้องออกมาในรูปของตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนแต่ก็เดือดร้อนมันก็ต้องมีวิธีการในการคิดที่จะทํายังไงจึงจะบรรเทาความเดือดร้อนได้เวลาพระตาจากไปหรือการตายเป็นต้นก็ร้องโหมร้องไห้เสียเสียใจกันแะ่ในที่สุดมันก็ เอาอะไรไปไม่ได้แล้วก็คนที่เสียใจก็ช่วยอะไรคนเหล่านั้นไม่ได้แต่การต่อไปท่านได้กล่าวถึงความไม่มีการทําตอบแทนกรรมคุณและความทลาโดยบวกว่านาทีขายุเป็นต้นคืออายุไม่หยินมีประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกว่า คนโง่ย่อมสัมผัสได้กับสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาชนใดคนฉลาดก็ฉชนนั้นเหมือนกันย่อมสัมผัสได้ทั้งสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาในเรื่องนี้ทั้งคนโง่และคนฉลาดจึงไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่มีความแตกต่างกันบ้างคือคนโง่พอถูกความตายครอบงำเนี่ยมันจะประมาทคือเจรครองชีวิตบุตรด้วยความประมาท แล้วก็จะนอนสะดุ้งผวาถูกกลัวตายส่วนคนฉลาดก็จะถูกความตายสัมผัสข้าวก็ไม่หวั่นไหวสรุปง่ายๆว่าคนโง่สัมผัสทุกบางอย่างก็เดือดร้อนแล้วแต่คนฉลาดฉลาดมันจะถูกบีบเบียนบีบคั้นยังไงมันก็ก็ธรรมดาแล้วก็ต้องทนเอาแล้วท่านก็บอกว่า ปัญญาที่เป็นเอกได้ถึงที่สุดคือดิพาเนี่ยอันเป็นที่สุดแห่งภพเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญกวา่าศพซึ่งก็ธรรมุเทศทั้งหมดนะธรรมุเทศทั้งหมดสี่ประการอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยพระเทระก็นํามาขยายออกไปเป็นสิบเอ็ดประเด็นด้วยกันแต่หมายความมาอธิบายสี่ข้อนั่นแหละแต่ว่าข้อก็ขยายประเด็นออกไป สรุแล้วก็โลกคือมูสัตอันเคลานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนโลกคือมูสัตไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจะต้องลาทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกคือมูสัตไม่มีอะไรเป็นของของตนไม่มีตัวไม่ตนแล้วก็ต้องไม่มีอะไรเป็นของตนด้วยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือโลกมูสัตเนี่ยมันพล่อง รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาตแแ่งสัรหานี่ก็เป็นเรื่องราวของพระรัตปาลาัตเครบซึ่งก็กินเวลามานานหลายวันเราก็จะเห็นถึงการอธิบายของบุราจารย์ต่างๆในดีที่ท่านอธิบายธรรมาเนี่ย สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีปัญหาอย่างที่เราได้ยินได้ฟังใ น, งในบางกรณีในขณะ น, นี้ทุกฟังทั้งหลายเสียงธรรจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมดูมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี